ตอนนี้ไปพึงพากันตร้งใจํำรวมใจของตนให้แน่วแน่อยาใจฟุ้งซ่านรำคาญการปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านรำคาญไปมันเป็นทางไปสู่ทุกข์ไม่ใส่หนทางแห่งความสุข การทำใจให้หยุดให้นิ่งนี่เป็นทางแห่งความสุขต้องเข้าใจคนเราจะเป็นทุกข์ก็เพราะจิตไม่สงบนั่นแหละมีตกกังวลกับเรื่องอะไรต่ออะไรคิดมากเข้าไปก็เป็นทุกข์ใจหลายเท่านั้นเนี่ยใจก็อ่อนเพลีย เพราะฉะนั้นการฝึกใจให้สงบเนี่ยจงชื่อว่าเราแสวงหาความสุขอย่างแท้จริงความสุขอันจอมปลอมนั้นมันมีอยู่ทั่วไปในบุคคลเป็นเสียแต่พระอริยบุคคลท่านไม่ติดท่านไม่คล้อง บุคคลส่วนหลายนั้นมักจะคล้องอยู่ในความสุขชั่วคราวเหตุดังนั้นมันจึงไม่แสวงหาความสุขที่แท้จริงถ้าผู้ใดมาเห็นโทษแห่งความสุขชั่วคราวนั่นแล้วว่ามันเป็นสุขอันไม่ยั่งยืนแต่ได้เป็นสุขไปชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ไม่ไม่พอใจอยู่เพียงความสุขเท่านั้นพู้เะ่นนั้นแหละจึงสนใจภาวนาทำใจให้สงบนัติสันติป ร, รังสุขขังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีดังนั้นเราต้องมา ค้นหาความสุขที่แท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก็การทำใจให้สงบลงไปนั่นแหละเป็นนนทางความสุขอันยอดเยี่ยมบุคคลผู้ตกเป็นทาสของตัณหาเนะ่มันจะไม่พบกับความสุขอันเกิดจากความสงบนี้เลย เพราะมันอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดมันถึงไม่พบกับความสงบสุขอันนี้ต่อเมื่อผู้ใดมาเห็นโทษแห่งความอยากอันไม่มีสิ้นสุดอันนั้นนะออมันก่อให้เกิดทุกข์อย่างนี้แล้วก็มาเพียนพยายามละความอยากในหัวใจ นั่นให้มันเบาบางออกไปจากกิจใจนี้เรื่อยๆไปเมื่อความอยากมันเบาบางไปเท่าไหร่ความสงบใจมันก็มีไปเท่านั้นแหละเมื่อความสงบใจมีเท่าไรความสุขก็มีเท่านั้นอันเรื่องอย่างนี้ผู้ใดทาผู้นั้นจึงรู้ได้ ผู้ใดไม่ความไม่ไม่ทำความเพียรทางใจไม่ทำใจสงบก็ไม่พบกับความสุขอย่างที่ว่าดังนั้นต้องลงมือทำด้วยตนเองอย่าไปเกียจคร้านการนั่งสมาธิภาวนาถ้าผู้ใดมัวเกียจคร้านเห็นได้แกหลับแกนอนแล้วช่นนี้นะ่ะ องค์ผลทุกไปไม่ได้ถูกกิเลสตัณหามันเผาจิตใจเอาเดือดร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนบวชอยู่เนื่อกว่าซึกออกไปแล้วเราจะไปแสงแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการเมื่อได้มาแล้วก็จะมีความสุขในคิดอย่างนี้แล้วก็ถือมั่นในความคิดอ น, นั้น เราสึกออกไปพอสึกออกไปแล้วไปสวงหาสิ่งที่ตนต้องการเกิดไม่ได้ขึ้นมาอากพอยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่ถ้าเผื่อว่าได้สิ่งนั้นมาแล้วอย่างนี้ตันหามันหาหยุดอยู่เพียงแค่นั้นไหมก็มันอยากได้อย่างอื่นขึ้นไปอีก หรือมันอยากได้มากขึ้นไปกว่านั้นอีกสัญหามันหาหยุดอยู่ไหมมันอิ่มไม่เป็นสัญหานี่นะมีแต่การทำใจสงบลงไปขนาดมันถึงอิม่มความอยากนี่นะเราจะไปแสวงหาวัตถุภายนอกมาป้อนมันให้มันอิ่มไม่มีทางพระพุทธเจ้ายัางได้ทรง ตรัสแกพยามาณว่าตัวให้บุคคลนั้นมีทองคำเท่าภูเขาลูกหนึ่งนี่ไอ้กตันหาความอยากในหัวใจนั้นมันก็หาได้ลดน้อยลงไหมมันก็ยังอยากได้อีกเท่ากันนั่นแหละก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะจิตใจของคนเรา ลองผูใ้ใดพิจารณาตัวเองก็รู้ได้เองนะอย่าว่าจะได้ของมากๆอะไนั้นมาได้ของบางสิ่งบางอย่างมาเท่านี้เนี่ยพอได้มาแล้วอย่างนี้โอ้ของสิ่งนี้ว่าถ้าได้มาอีกนั้นจะดีไหมพอมันคิดขึ้นในใจอยู่อย่างนั้นเนี่ยอันนี้เรืองของตัญหามันไม่มีที่สุด ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัททวนกระแสตัณหาทวนกระแสแห่งความอยากให้กลับเข้ามาหาจิตใจนี่ว่าความอยากนี่มันจะสิ้นสุดสุดลงกันที่ไหนตรงไหนในเมื่อเรารู้เลยแล้วว่าความอยากมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ มันก็ทุกข์จริงๆอย่างนี้ก็ตันหาจะสิ้นสุดลงก็เพราะเราไม่อยากพูดกันง่ายๆพราห้ามจิตไม่ให้มันอยากได้เก็บเพ่งจิตให้เข้าถึงความสงบละอารมณ์ภายนอกเสียมาเพ่งร่ากายนี่เป็นอารมณ์อยู่ภายในเมื่อเห็นร่างกายนี้เป็นของแตกของดับข อ, ของเน่าของเป่ย ของไม่สะอาดโดยประการต่างๆแล้วอย่างนี้อ่จิตใจมันก็คลายความกำหนัดยินดีลงนั่นแหละการที่จะทำตัณหาให้มันเบาบางลงไปเนะ่ะตัณหามันจะมากขึ้นได้ก็เพราะมันอยากได้วัตถุสิ่งของอะไรตัวอะไรมาบำลงบำเริร่างกายอันนี้นะให้มันสุขสบายไป ให้มันล่าเดงบันเทิงไปบำรุงทั้งร่างกายทั้งจิตใจด้วยใจก็มองเห็นว่าเมื่อได้รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสนั่นมาแล้วตนก็จะมีความสุขดังนั้นมันจึงได้ใช้กายสวยงหาไปใช้ว่าจะสวงหาไปสิ่งที่ต้องการ นั่นแหละเราจับต้นเหตุให้มันได้ต้นเหตุแห่งความทุกข์ใจนะ่ะมันอยู่ตรงนี้อเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็มาภาวนาห้ามจิตไม่ให้มันอยากได้อะไรต่ออะไรเข้าไปให้มันสงบความอยากลงไปบางคนก็อาจจะว่าเอาถ้าใจไม่อยากอะไรแนละ้วอย่างนี้ก็ ไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารไม่ต้องทำการงานหาเงินหาทองอะไรอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นอันที่ให้สงบกละงงับความอยากอันมีประการต่างๆลงเนี่ยหมายความว่ามันอยากเกินขอบเขตไปเกินบุญเกินวาสนาของตนไป บุญวาสนางตนที่ได้ทํามาแต่ก่อนมีเท่านี้แล้วก็การแสวงหาทรัพย์สินเงินทองในโลกอันนี้มันก็ได้มาเท่าที่บุญเรามีบุญบันดาลให้เท่านั้นแหละจะใหไ้ได้หลายกลัวนั้นไปไม่ได้เพราะว่าบุญเก่าที่ตนทํามาแต่ก่อนนั้นมันมีน้อยไป นี่ในทางพุทธศาสนาเขาพราะพุทธเจ้าสอนให้คนเรานั้นเห็นแจ้งในบุญในบาปอย่างนี้ว่าชีวิตของคนเราเน่ะมันเกี่ยวข้องกับบุญได้บาปที่ตนกระทํามาอมต้องให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งศักสิบธิ์ใดๆภายนอกไอความสุขความทุกข์หรือว่าการเกิดเป็นรูปเป็นนามอันนี้ขึ้นมานี่ ก็พออาศัยตัณหาความอยากในจิตใจนี่เองแหละมันอยากเกิดอีกอย่างนี้นะเหมือนอย่างบุคคลบางคนน่ะทบุญกุศลลงไปแล้วก็อธิษฐานเกิดไปชาติใดพบใดคอยกับพระเจ้าร่ำรวยเงินทองเข้าคลอง อย่าได้อดอย่าได้อยากอะไรต่ออะไรกะว่ากันไปมเมื่อตั้งปณิธานลงไปอย่างนั้นแล้วเกิดไปคาดหน้าบุญกุศลไปตกแต่งให้ร่ารวยเงินทองเข้าของมาแล้วก็ห่วงตีปนี้นะห่วงเห็นไม่ปรารถนาอยากจะใช้จ่ายอีกซ้ำไปเลยอย่าว่าแต่จะให้ผู้อื่นเลยแม้แต่ตัวเองจะใช้จะจ่ายก็ ไม่ยอมใช้จ่ายใช้จ่ายก็ใช้แบบประหยัดเต็มที่ไม่ไม่สงกับฐานะที่ว่าร่ำรวยนี่โทษแห่งกันหาความอยากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนเดี๋ยวว่ามันมีความเห็นผิดก็ว่าได้นะไม ยังได้ยึดถือในของไม่เที่ยงไว้ทำบุญกุศลอนไดก็ปรารถนาให้ได้ของไม่เที่ยงมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยบุญกุศลนี่มันเป็นกลางนี่แล้วแต่จิตมันต้องการน้อมไปยังไงบุญกุศลมันก็แต่งให้อย่างนั้นเมื่อมันแต่งให้มาแล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังคือมันไม่เที่ยงไม่ยย่งยืน มันนี่จิตใจก็เศร้าโศกแล้วครับแค้นเข็นไฟไหม้บ้านบก่กน้ำท่วมนาตาเข้าตายหมดอะไรวันนี้นะโจรมาปล้นเอาหมดเนื้อหมดตัวไปวันนี้นั่นเดีย ว, ว่าความผิดหวังในสมบัติบุคคลไม่ได้ภาวนาไม่รู้เท่าความจริง ของความเป็นมาแห่งชีวิตเนื่องด้วยกรรมด้วยวิบากกรรมดังกล่าวมาแล้วนั้นก็เป็นทุกข์เลยเดือดร้อนกันอันผู้ที่ได้ภาวนาได้พิจารณาเห็นเทตุเหตุปัจจัยของรูปของนามของชีวิตนี้แล้วก็จะไม่หวงเหนชีวิตนี้จะปล่อยวางตามยถากรรมตามเรื่องของมัน แต่ปล่อยวางแล้วก็ยังเลี้ยงมันอยู่นั่นแหละแต่ในใจนะปล่อยวางไว้ตามสภาพเหมือนอย่างบุคคลอาศัยผ้านุ่งผ้าหม่มอย่างนี้แหละแต่ถ้าผู้ไม่มีปัญญามันก็ยึดถือเอาผ้านุ่งผ้าหม่มเอาเครื่องประดับทั้งๆนี่ในใจนะั่นน่ะถือว่าของเราเอ้ยผ้าของเราผืนนี้สวยเหลือเกิน ในกาข้อเหลือนี่แม่สวยจังราคาแพงแล้วก็เดินตรงดีสร้อยหูสร้อยคอตุ้มหูแหวนเพชรอะไรหมดนี่นะเมื่อาใส่เข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามจิตใจก็ติดข้องอยู่ในสมบัติเหล่านั้นเหตุที่จะมันจะติดข้องอยู่ในสมบัติเหล่านี้ ก็เพราะมันคล่องอยู่ในร่างกายนี่ก่อนมันสำคัญสคัญว่าร่างกายนี่สวยงามถ้าได้เครื่องประดับประดามาตกแต่งก็รบรายยิ่งสวยอ่ามันหาได้หวนได้ึกถึงไม่ว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนแม้ว่าจะประดับประดามันเท่าไรมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ให้มีแต่มันชำรุดทรุดทอมไปเรื่อย ไม่ได้คิดเลยคนส่วนมากนะเหตุนั้นแ่ะจิตมันยังติดยึงคล้องอยู่อย่างนี้แล้วสมบัติต่างๆในโลกอย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยหาได้มาแล้วใช้ไปจ่ายไปก็หมดไปแม้บาคนั้จจะหวงไงก็ตามถ้าโจรขโมยมันรู้ว่าคนนี้แนะห่ะหวงทรัพย์สมบัติมากมันยิ่งไปปล้นเอา ถ้าคนใดบริจาคทานอยู่บ่อยๆสมฐานะจนว่าคนทั้งหลายได้รู้ก่เป็นทานะบอดีผูกเป็นใหญ่ในทานโจนผู้ร้ายมันก็งับถือคนผู้ใจกว้างขวางเผื่อแผ่อย่างนั้นนะจนผู้ร้ายมันก็ไม่ไปรบกวนเท่าที่สังเกตเห็นมาแล้ว จนผู้ร้ายนี่มันไปเที่ยวจี้เที่ยวปล้นตั้งแต่คนตนีห่วงเห็นคนไม่ทำบุญบริจาคทานนั่นแหละคนตนีเหนียวแน่นนี่มักจะถูกจี้ปล้นเป็นจุนมากเนื่องจากว่าโจนผู้ร้ายนี่มันก็ใจ ใจบุญของมันก็มีอยู่ใจบาปก็มีไม่ใช่มีแต่ใจบาปอย่างเดียวฮะถ้ามันคิดเห็นว่าคนนี้แหละเป็นคนใจบุญสนทานเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนยากคนจนธนุบารุงวัตรศาสนาถ้าโจนคนใหนมันรู้ประวัติความเป็นมาของคู่นั้นนะแม้ผู้นั้นจะมีเงินมากมายโจนมันก็ไม่ร่วงเกิน ไม่จี๋ไม่ปล้นก็พอมีอยู่ในโลกนี้นะนี่แหละโทษแห่งความอยากความปรารถนาโทษแห่งความยึดถือมั่นถือมั่นไว้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงมายังยืนเต็มไปด้วยทุกข์ภัยอันตรายต่างๆอย่างนี้สมบัติอนไรถ้าบุคคลได้ เอามาบูชาพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านเรียวกว่าบุญนิธิบุญนี่มันฝังอยู่ในจิตใจนี่ไม่ไม่ใช่มันมีรูปร่างอะไรอมันฝังอยู่ในจิตใจนี่ตกน้ําก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมโจรลักเอาไฟก็ไม่ได้อืมปลอดภัยดี แล้วก็เป็นสมบัติติดตามไปทุกแห่งทุกขนเมื่อหากว่ามีมากพอตายลงแล้วกุศลสมบัติเหล่านี้ก็เป็นญาณภาหานะรองรับโอลงคิดไปเกิดที่สุขสบายในเมื่อสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็เข้าสุนิพานยังไม่ได้ก็ต้องไปที่สุขเกิดที่สุขสบายเลย คนมีบุญนะเหมือนอย่คนมีเงินอย่างนี้เนะี่ยคนมีเงินนี่มีเงินมากมากพอไปซื้อเอาบ้านที่เขาสร้างไว้สําเร็จรูปแล้วเนั่นนะนะราคาไม่เกี่ยงไรว่ามาพอเงินมีชอบหลังใดสวยงามตามความประสงค์ต้องการก็ซื้อเอาได้เพราะมีเงิน แล้วก็ขึ้นอยู่สบายๆอันนี้ฉันใดบุญกุศลที่บุคคลทำเมื่อมีบุญมากทั้งอย่างเท่านั้นนะต้องการจริงใดบุญกุศลก็ตกแต่งให้เหมือนอย่างบุคคลผู้ละโลกนี้ไปเกิดในสวรรค์ในโลกหน้านะคนมีบุญมากถึงได้ไปเกิดสวรรค์ บันนี้เมื่อต้องการสิ่งใดมาบุญกุศลกรณีอ น, อนี้ไม่ไท้ไม่ต้องไปแสวงหาให้ลำบากแต่ว่าบุญกุศลมันก็อำนวยให้แต่เท่าที่บุญผู้นั้นทำไปแต่มาโนโลกนี้เท่านั้นนะมันก็มีขอบเขตเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรบุญจะแต่งให้ทุกอย่างไป ไม่แต่งหรอกถ้าหากว่าสิ่งใดที่ตนไม่ได้ทำมาอย่างนี้แล้วก็มันจะไม่เกิดให้เลยบุญกุศลมันก็โดนบรรดานให้เกิดได้อยู่ในวงจำกัดเท่านั้นเองนะอันนี้มันต้องพิจารณาให้เห็นโดยเหตุผลโดยด้วยตนเองนะเรื่องอย่างนี้มันเชื่อยากถ้าบุคคลไม่ได้พิจารณาเห็นด้วยตนเองนะ ล่อแหลมต่อความขัดขานต่อความติขินนินทาต่างๆทีเดียวแหละว่าเอาเอาเรื่องไม่จริงไม่จังมาพูดถูกกันฟังอะไรโมนี้ไอผ้ผู้พูดนั้นไม่ไม่หวั่นไหวเพราะว่าพูดตามตำลา ไอ้เรื่องอย่างนี้เราจะหนีจากตำลาไม่ได้ในตำลาท่นนานพรนนาไว้ในไตรโลกกวิฐานน่นะมันเป็นอย่างนี้เป็นจริงนะนะเช่นยอย่างเทวดาตายเนี่ยโดยอาศัยเหตุสามประการนนหนึ่งโกรธจักก็าตายสอง บุญหมดก็ตายสามอายุหมดก็ตายนี่เทวดาตายโดยมีมีโรคสามประการนี่บีบคั้นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเทวดาที่โกรธก็มีบนสวรรค์นะก็ดูแต่คนเราบางคนเอาไว้ไ ในโลกนี้นะทาบุญสนทานรักษาศีลอยู่แต่ก็ยังโกรธ อ, อยู่นั่นจนิตใจเนี่ยยังลกความโกรธไม่ได้นี่แหละแต่บุญที่เพื่อนทามันนงมีมากพอจะส่งไปสวรรค์ได้ก็ไปสวรรค์แต่เกิดเป็นเทว ด, ทวดาอยู่สวรรค์ก็ไปโกรธ อ, อยู่สวรรค์นั่นแหละ เรอว่ากิเลสนี่เนี่ยแม่จะไปเกิดที่ไหนเมื่อก็ติดตามไปมันเป็นอานันส่วนบุญก็บุญไปส่วนบาปก็บาปไปนี่ดังนั้นการภาวนานะก็ต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้งในเรื่องบาปเรื่องบุญนี่แหละนอกจากที่เราจะรู้แจ้งในธาตุสี่ขันห้าแล้วก็มารู้แจ้งในเรื่องบาปเรื่องบุญ เรื่องมันมันมีจริงๆเพราะาเราทำมันนี่นั่นเลยคันผู้ใดละบาปเจอแล้วก็รู้เมื่อภาวนาลงไปบาปห้าประการนั้นเราได้ละมาแล้วอย่างนี้ก็รู้หรือว่าละได้เป็นบางอย่างบางอย่างละไม่ได้ก็รู้นี่แหละบุญกุศลเราได้ทำมา ให้ทานก็ได้ให้มารักษาสินก็ได้รักษามาก็รู้ผู้ภาวนานะรู้ว่าเรามีสินหรือว่าสินมันด่างพร้อยบางสิ่งงอย่างก็รู้หรือว่าสินมันขาดบางครอบก็รู้เมื่อรู้แล้วก็สมทานคืน สำรวมระวังจิตอธิษฐานจะไม่ร่วงเคินจะไม่ทำผิดศีลข้อนั้นเด็ดขาดต่อไปก็ตั้งใจอธิษฐานคืนอย่างนี้แล้วศีลมันก็มีแม้ว่าไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ได้ไปรับกับพระศีลก็มีได้เพราะศีลอยู่ที่เจตนาวิรัตนเเว่น ไม่ใช่อยู่เพียงแค่คำสมท า, านเท่านั้นในใจน่นตั้งเจตนาลงวิรัตละเว้นจริงๆถึงไม้จะมสมาทรางกับพระก็เป็นศีลได้ถ้าใครรู้จักตัวศีลแล้วนะถ้าไม่รู้จักตัวศีลก็อย่างว่ารักศีลก็รักษาสินก็ไม่คุ้มละปล่อยศีล น, นั่นเสียหายไปเหมือนอย่างบาคนได้เงินมาแล้ว รักษาไม่ดีเก็บงำไม่ไม่ดีเช่นนี้เงินทองนั้นมันก็หายไปะใครไม่เห็นเขา้าไปหยิบฉวยเอาไปเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุญทีุ่คคนกระทำในโลกนี้ฉันเมื่อรักษาบุญไว้ไม่ได้กิเลสแล้วมันก็มาบีบพันอ ให้บุญเสื่อมไปจากกิจใจนี้การที่บุคคลรักษาบุญไว้ไม่ได้ก็เพราะปล่อยให้กิเลสนั่นแหละมาครอบงำอิจดีดังนั้นกิเลสป่าประทับนั้นมันจึงมารบ ก, กวนบุญกุศลที่ตนได้สร้างขึ้นมาให้สร้างอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมไป แต่ค้นละกิเลสออกไปแล้วบุญกุศลก็กลับคืนมาไม่ใช่มันหายขาดไปเลยไม่ใช่เพราะว่าบุญมันอยู่ที่ใจอย่างที่ว่ามานั่นแหละอย่าไปทิ้งใจนี่ก็เมื่อเราทิ้งบาปอย่างนี้นะมันก็พอใจในบุญบุญก็เกิดขึ้นมาคันบุคคล ไปพอใจในบาปแต่มันก็เที่งบุญนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราจะเอาคร้อมกับทั้งทั้งสองอย่างไม่ได้มันเกิดขึ้นคนละคราวกันเรื่องบุญและบาปนี้นะนั้นต้องภาวนาพิจารณาให้มันเห็นถ้าบุคคลได้มารู้บาปเขียนพยายามสำมรวมกายวาจาใจ ไม่ทําบาปต่อไปในบาปที่ได้ลุ่มหลงทํามาแล้วก็อธิษฐานใจละขอให้บาปนั้นหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของข้าพเจ้าอข้าพเจ้าเห็นโทษมันแล้วเรื่องบาปเนี่ยเมื่อแล้วไม่ทํามันอีกต่อไปแล้วด้วยอํานาจแห่งความสัตย์ความจรงิงอันนี้ขอให้บุญกุศลมั่นอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้า อยาให้เขาเจ้าได้หลงเห็นผิดเป็นชอบไปจากบุญจากกุศลนี้อธิษฐานในใจลงไปอย่างนี้มันก็อย่างบ้านนั่นแหละวันี้มันก็เห็นแจ้งในใจด้วยตนเองนะวันนี้ตนเองละบาปได้ก็รู้ตนเองสั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้น ใ, นในใจก็รู้ ทนเองพิจารณาเห็นขั น, ห, นห้านี้เป็นทุกข์ก็รู้พิจารณาเห็นว่าตัณหาเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์ก็รู้เมื่อรู้แล้วตัณหานี่พระพุทธเจ้าสอนให้ละเราก็กำหนดใจละความอยากความบาดนานี้ให้เบาบางไปเรื่อยๆส่วนความทุกข์นั้นไม่หายแม่บุคคลจะรู้แจ้งอย่างไรก็ตามในเมื่อขันห้านี้ยังไม่อยู่ตราบใด ความทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นก็กำหนดรู้ไปอย่างนี้เลยรู้ไปอย่างนี้มันก็ทำให้กิเลสตัณหามันเบาบางไปจากดวงจิตสิเพราะจิตไม่ยึดถือเอามันเนี่ยจิตนั้นก็มีกำลังเข้มแข็งด้วยบุญด้วยกุศล เราเอาบุญเป็นกำลังนะอย่าไปเอาบาปอาเป็นกำลังนี่แหละเมื่อเราเอาบุญเป็นกำลังบุญกุศลมันก็กำจัดกิเลสบาปธรรมให้บาบางออกไปจากกิจใจ